ในในหนึ่งดวงเนี่ยแบ่งออกเป็นสามขณะอันนี้ขณะแรกเรียกว่าอุปาทะกลางเรียกว่าทิฏฐิเนี่ยนะระหว่างนี้ถึงนี่เนี่ยนะทิฏฐิแล้วก็พังคะพังคะก็คือขณะดับปาทะขณะเกิดทิฏฐิขณะตั้งอยู่พังคะก็ขณะดับเนี่ยนะที่ว่าจิตหนึ่งดวงแบ่งออกเป็นสามอนุขขณะจิตเนี่ยนะวันนี้เดี๋ยว ปีนี้ผู้การธนะจะได้เรียนแล้ววัตถุปูเรชาแต่ปัจจัยได้เจอกันแน่ขอไม่ของเขาเรียนมาหาเอกปีนี้ปีหน้าจะจอ่อพิธามัณฑิตแล้วของเราเนี้อุ้ยเราเรียนเนี่ยไปเฉดหนึ่งเราเรียนถึงหมดอะเรียนทุกวิชาหมดอะไม่กล่าวเนล้อโน้นมหาปัจฐานเอามาใช้หมดไหนะห แต่เรียนแล้วไปสอบวิชาใดกับเขาไม่ได้เลยเพราะว่าระบบที่เราเรียนมันไม่ได้เอาไปสอบแบบนั้นก็ไม่รู้เอาไปใช้ได้ก็ใช้ได้ละบางคนก็เลยเพอมาฟังอย่างนี้ก็บอกว่าฟังอาจารย์ไม่ได้หรอกเขาบอกงั้นมันต้องไปเรียนประชิดก่อนคุณจึงจะฟังเข้าใจบนั้นว่าไปขนาดนั้นนี่เราพูดมันเข้าใจยากขนาดนั้นเลยหรืออย่างนึกกันไหอ ทีนี้ต่อไปนะว่าถามว่าถ้าเช่นนั้นพ่ะเหไรท่านจึงกล่าวอาวัชนะจิตทั้งสองสัมปโยคข้าด้วยเวอุเบขาเวทนาคือสัมอาวชนะจิตสองคืออะไรปัญจทวาราวชนะกับมโนทวาราวชนะทําไมจึงประกอบด้วยอุเบขาเวทนาแบบนั้นเถิดเมอาวชนะจิตทั้งสองนั้นก็เป็นไปในลําดับแห่งจิตที่ อ, อาศัยเกิดเสมอกันไม่ใช่หรือ คือวัตถุเหมือนกันอะ่ะทําไมมันไม่โสมนัสบ้างอะ่ะนะสังเกตดูนะไอปัญจทวาราวชนะหรือมโนทวาราวชนะมันน่าจะน่าจะโสมนัสใช่ไหมเช่นตรงนี้เนี่ยปัญจทวาราวชนะพวังก็หัตยะวัตถุปัญจทวาราวชนะก็วัตถุน่าจะโสมนัสได้บ้างตรงนี้อีกเหมือนกันนะ ส, สันตีระเป็นปัจจัยแก่โวทัพณะ ตรงนี้ก็น่าจะโสมนัสได้อีกบ้างหรือมโนทวาราวชนะนภนะวังเป็นปัจจัยแก่มโนทวาราวชนะแล้วก็ต่อด้วยชาวนาเนี่ยนะตรงนี้ก็น่าจะโสมนัสได้บ้างประมาณนั้นคถามเขาเป็นอย่างนี้แต่สามตาแหน่งเนี่ยน่าจะโสมนัสได้ทำไมจึงโสมนัสไม่ได้ถ้าถ้าครั้งก่อนเนี่ยยกเอาวัตถุมาเป็นเหตุผลในการตอบเนี่ยนะแสดงว่าท่านคิดมากจริงๆเลยนะ เลยว่าจริงแต่ในอาวชนะจิตทั้งสองนั้นะดวงต้นคือปัญจทวาราวชนะย่อมเป็นไปครั้งเดียวเท่านั้นในอารมณ์คือมันเกิดขณะจิตเดียวเหมือนั้นอันจิตอะไรอะไรไม่ได้ถือเอาในเบื้องต้นเพราะอะไรเพราะว่าก่อนหน้านี้ผวังอ่ะนะซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยอ่ะแม้ดวงหลังคือมโนทวาราวชนะก็มีความแพ่งกิตอื่นด้วยอํานาจเวียนมาแห่งจิตตาสันดานที่ไม่เหมือนกัน คือผวังมันเกิดก่อนแล้วจิตดวงนี้จึงเกิดอะนะเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจเพื่อสวยรถแห่งอารมณ์โดยประการทั้งปวงฉะนั้นอาวัชนะจิตทั้งสองนั้นจึงสัมปโยฆาด้วยอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็เหตุผลท่านก็บอกว่ามันแค่ขณะเดียวอะนะเอ้าแล้วทําไมโสมนัสสันติรณะจึงโสมนัสได้อันนั้นเพราะเป็นผลของบุญและประสบกับอิทธารมอะนะด้วยเหตุผลคนละอย่างกัน เพราะฉะนั้นสรุปย่อคาถาที่กล่าวไปทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งะนะคือถ้าข้างหน้าเนี่ยจะเป็นคําอธิบายพอข้างหลังเขาจะเป็นถ้าเป็นคน อ, อินเดียเรียนเนี่ยหรือคนที่เรียนบาลีมาคดมาเนี่ยเขาจะรู้ว่าโอ้นี่เป็นคาถาเวลาเขาท่องเขาจะท่องคาถาเพราะคาถามันเป็นสัมผัสคำใช่ไหมเป็นคําฉันนะนะจำง่ายพอมาแปลเป็นแปลเป็นไทยแล้วไม่เห็นสัมผัสอะไรสักอย่างเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากท่องก็เชิญนะไปท่องที่ภาษาบาลีนะอยู่ในตู้ข้างหลังนูง้มนมีห้องส ม, มุดเรามีครบเลยเอาไปท่องเอาจริงอยู่การที่อุปาทายรูปซึ่งอาศายัยภูตรูปมีวัตถุและอารมณ์เป็นสภาพกระทบการมีกำลังสามฉะนั้นจิตสี่ดวงมีจักขุเป็นต้นจึงสัมปยุท ด, ด้วยอเบขาอันนี้ทบทวนอีกครั้งว่าทาไม จักขวิญญาณโสตาขานะวิญญาณชิวหาวิญญาณเนี่ยจึงเป็นอุเบกขาเพราะว่าอุปาทายรูปมันกระทบกับอุปาทายรูปจึงเป็นอุเบกขาอ่ะแล้วทำไมกายวิญญาณจึงเป็นสุขเป็นทุกข์ล่ะก็ตอบว่าส่วนกายวิญญาณไม่มีอุเบกขาเวทนาเพราะภูตรูปเป็นที่อาศัยแห่งกายประสาธาและโพธพภะกระทบกันนี้เป็นสภาพมีกําลังคือภูตารูปมันกระทบภูตรูปอ่ะนะมันเลยก่อให้เกิดความสุขและความทุกข์เหมือนกัน เพราะอนันตระปัจจัยไม่มีเออขอไปเพราะอนันตระปัจจัยไม่มีปัจจัยที่อาศัยเสมอกันฉะนั้นสัมปติชนะจึงทุรพลประกอบด้วยอุเบกขาในอารมณ์อันนี้เหตุผลที่สัมปติชนะเป็นอุเบกขาเพราะวัตถุไม่เสมอกันน่ะนะจิตที่ชื่อว่าอาหิตุกะเพราะเว้นจากสัมปยุตตาเหตุและเป็นวิบากแห่งกุศลฉะนั้นจึงชื่อว่า อกุศลวิบากอเหตตกจิต เ, ออเข้ไปกุศลวิบากอหตตกจิตนะคือไม่มีอโลพาอาโทสะโมหะประกอบกับจิตแปดวงนี้เลยนะและจิตแปดวงนี้เป็นผลของมหากุศลก็เลยเรียกว่ากุศลวิบากอเหิตกจิตแท้จริงคําว่าแท้จริงนี่เป็นคําว่าอธิบายะนะคำแทนคําว่าต่อไปฉันจะอธิบายนะครับก็เลยยกคําว่าแท้จริงหรือถ้าบอกว่าจริงอยู่ บอกว่าต้องการจะอธิบายคําที่พูดครั้งก่อนให้มันหนักแน่นขึ้นเนี่ยนะหรือที่เรียกเราทายเรียกว่าย้ําหรืออธิบายเพิ่มเติมนั่นแหละว่ากุศลวิบากอเหตตก จ, จิตเหล่านี้แม้สําเร็จด้วยอํานาจแห่งเหตุที่ยังตนให้เกิดขึ้นก็ย่อมได้ชื่อว่าอหตุกะด้วยอํานาจแห่งสัมปยุตตาเหตุนั่นแหละเพราะนอกจากนี้จิตเหล่านี้ไม่มีความต่างจากมหาวิบากคือมีชาติวิบากเหมือนกันนะสรุปว่าถ้ามันประกอบกับ อโลพาอโทสะอะโมหะมันก็เป็นสเหตุตุกะวิบากนะแต่นี่มันไม่ประกอบกับอโลพาอะโทสะอะโมหะจึงเป็นอหิตุกะวิบากเ น, นี่ยนะก็ถามว่าเพราะเหตุไรในอธิการนี้ในคําสุดท้ายแห่งอกุศลวิบากท่านอาจารย์จึงไม่ทําอเหิตุกศัพท์เหมือนคําสุดท้ายแห่งกุศลวิบากนี้นะถามทุกคำเลยนะยิ้มมาถามอ้าว ทีอากุศลวิบากไม่มีคำว่าอหตุกะน่าจะบอกว่าเป็นอหตุกะด้วยเพราะมันไม่มีเหตุประกอบทีกุศลวิบากนะยังไม่แยกว่านี้เป็นอหตุกะนี้เป็นสเสหตุกะว่างนั้นฉเฉลยว่าเพราะไม่มีความเป็นไปแห่งวิบากที่เกิดขึ้นคือวิบากที่เป็นอากุศลเนี่ยนะก็ที่เป็นสเหิตุกะไม่มีเมื่อไม่มีก็ไม่รู้จะยกมาพูดทำอะไรเหนน จริงอยู่เมื่อกำเนิดคือการเกิดและความเป็นไปแตกต่างกันมีอยู่การกล่าวถึงคำที่ต่างกันก็จะพึงมีประโยชน์นะยกตัวอย่างย้อนว่ากุศลวิบากแบ่งเป็นอเหตุกะเพราะมีสิ่งที่เป็นเหตุุกะมาเป็นเครื่องทำให้แยกยอมรับวิบากร่วมกันเลยนะ แสดงว่าไม่ได้ทําคนเดียว น, นั่นเองทีนี้อากุศลเนี่ยนะว่าแต่กําเนิดของอากุศลวิบากโดยความเป็นสเหตุกะไม่มีแน่ในการบางคราวเพราะไม่ประกอบด้วยสัมปโยคะกับด้วยเหตุมีอโลภะเป็นต้นอันเป็นค่าสึกกันโดยความเป็นวิบากแห่งสาวัชชธรรมมีโลภะเป็นต้น และเพราะเป็นสภาพเพราะธรรมะมีสภาพหาโทษมิได้เป็นอัพยากตะเองผิดกับสัมปโยฆาด้วยอากุศลธรรมมีโลภะเป็นต้นเพราะฉะนั้นอากุศลวิบากเหล่านั้นท่านจึงไม่ให้แตกต่างกันด้วยบทอเหตุตุกะเพราะไม่เป็นไปต่างจากความเป็นอเหตุตุกะชนิดแล้วคือไม่มีเหตุตุกะเลยนะอากุศลวิบากเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าจิตชาติวิบากที่เป็นผลของอากุศลนะจะเกิดร่วมกับโลอะโลภะได้ไหมไม่ได้ ไม่ไเกิดใหม่ก็มาดูพวกนี้เลยย้อนอีครั้งหนึ่งว่าอะกุศลวิบากเนี่ยนะมันเป็นผลของบาปใช่ไหมเมื่อเป็นผลของบาปเกิดร่วมกับอะโลภะไม่ได้อยู่แล้วเกิดร่วมกับอโทสะเกิดร่วมกับอะโมหะไม่ได้เห็นไหมและอย่างหนึ่งเมื่อเป็นจิตชาติวิบากอะโลภะไม่เกิดร่วมกับชาติวิบากโทสะโมหะก็ไม่ได้เกิดร่วมกับชาติวิบากเนี่ยนะเพราะฉะนั้น อ, อกุศลวิบากจึงไม่จําเป็นต้องใช้คําว่าอาเหตุุกะนําเพราะไม่มีอกุศลวิบากที่เป็นสเหตุกะเลยคิดดูนะถ้าชาติวิบากมีสเหตุุกะเช่นว่าอากุศลวิบากมีโลภะเกิดร่วมด้วยนะมีโทสะเกิดร่วมด้วยหรือมีโมหะเกิดร่วมด้วยสงสัยยุ่งมากเห็นไหมแก้ไขไม่ได้พัฒนาไม่ขึ้นแน่นอนเลยนะแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นหรอก อันนี้เป็นจิตตนิยามนะพระพุทธเจ้าออกมาเปิดเผยให้เรารู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างนี้นะส่วนอเหตุตุกกะกิริยาจิตสามบัดนี้ท่านอาจารย์ประสงค์จะอธิบายไมย่อเหตุกะกิริยาจิตสามอย่างมีปัญจทวาราวชนะจิตเป็นต้นโดยความต่างแห่งกิจในอารมณ์แห่งอเหตุตุกะจิตสามอย่างนี้ต่างกันโดยกิจนะปัญจทวาราวัชนะก็คือทํากิจทางปัญจทวาร มโนทวาราวัชนะก็ทำกิจทางมโนทวารส่วนหาสิตุปาธกิจนี้ทำชวนกิจเนี่ยนะก็คนละกิจกันวิเคราะห์ว่าปัญจทวาราวชนะจิตจิตที่ชื่อว่าปัญจทวาราวชนะเพราะอถ า, าว่ารำพึงถึงอารมณ์ที่กระทบทวารห้ามีจกักขรทวารเป็นต้นคือทำการคำหนึ่งในอารมณ์ที่กระทบนั้นหรือไม่ให้ความสืบต่อแห่งจิตเนี่ยเป็นไปด้วยอานาจผวังนนะ ปัญจทวาราวชนะเป็นตัวตัดกระแสภวังเนี่ยนะเป็นตัวตัดกระแสภวังให้เกิดการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นเป็นต้นขึ้นให้น้อมไปเพื่อเป็นไปในวิถีจิตได้แก่จิตที่เป็นกิริยาอหติตกะมโนธาตุเห็นไหมเกิดปัญจทวาราวชนะชื่อว่าอหติตกะมโนธาตุนั่นเองอเข้าใจนะเพราะว่าอธิบายมาหลายครั้งแล้วต่อไปมโนทวาราวชนะจิตภวังคจิต ที่เป็นอนันตระปัจจัยแก่อวชนะชื่อว่ามโนทวารเพราะเป็นทางดําเนินไปแห่งวิถีจิตทั้งหลายจิตที่ชื่อว่ามโนทวารวชนะเพราะอธิว่ารำพึงถึงอารมณ์ที่มาสู่คลองในมโนทวานนั้นด้วยอํานาจแห่งอารมณ์ทั้งหลายมีอารมณ์ที่ได้ยินที่ได้เห็นที่ได้ยินและที่รู้เป็นต้นหรือน้อมไปในสันดานโดยในที่กล่าวแล้วนั้นแหละได้แก่จิตที่เป็นกิริยาอหตุกมโนวิญญาณธาตุที่สอรคตด้วยอุเบขา อันนี้ก็มโนทวาราวัชนะนะตัวนี้ก็เป็นตัวตัดกระแสพวังเหมือนกันนมโนทวาราวัชนะตัดกระแสภวังทางมโนทวานปัญจทวาราวัชนะกระตัดกระแสภวังแห่งปัญจทวานเพราะนั้นเขาเขามีวิธีพิจารณาปัจจัยนามนะผู้ที่สนใจปัจจยปริคหายานเนี่ยนะเขาวิธีพิจารณานามให้พิจารณาอย่างนี้ พิจารณาว่าจิตนี้มีอยู่สี่ชาติใช่ไหมคือที่เป็นกุศลอกุศลวิบากกิริยาถ้าจะพิจารนาว่าสิ่งเหล่านี้เหมือนกันคืออะไรและต่างกันยังไงเหมือนกันนะว่าจิตเหล่านี้ต้องอาศัยวัตถุเหมือนกันต้องรู้อารมณ์เหมือนกันอันนี้ความเหมือน แล้วความต่างพิเศษเฉพาะตัวนี่มีไหมบอกมีเฉพาะเฉพาะตัวเลยนะกุศลมีโยนิโสมนานสิการนี่เป็นปัจจัยอกุศลมีอะโยนิโสมนานสิการเป็นปัจจัยส่วนวิบากมีกรรมเป็นปัจจัยส่วนกิริยานี่มีพวังเป็นปัจจัยเนี่ยนะอย่างปัญจทวาราวชนะอย่างที่กล่าวไปนะปัญจทวาราวชนะนี่มีพวังเป็น ปัจจัยนะั้นมีผวังเป็นอนันตระปัจจัยให้หรือตัวกิริยาที่ที่เป็นปัญจทวาราวชนะเป็นตัวตัดกระแสผวังทางปัญจทวารตัวมโนทวาราวชนะเป็นตัวตัดกระแสผวังทางมโนทวารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าผวังเนี่ยเป็นปัจจัยแก่กิริยาอันนี้ว่าโดยความแตกต่างกันเนี่ยนะย้อนอีกครั้งหนึ่งนะปัจจัยที่เหมือนกันของนามคือจิตและเจตสิกคือวัตถุ ก, กับ อารมณ์เพราะเกิดขึ้นต้องอาศัยวัตถุและรู้อารมณ์นะแล้วก็ที่ต่างกันก็ว่าไปตามชาตินั้นๆไปเนี่ย น, น, นะเฉพาะอย่าง <c oughs> เพราะฉะนั้นภวังนี้ถือว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้กิริยาจิตนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะทั้งปัญจทวาราวัชนะและมนโนทวาราวัชนะเอาแล้วมาหากิริยาจิตของพระอารหันต์มีอะไรเป็นปัจจัยให้เกิดขึ้นบอกมีอรหัตตมักเป็นปัจจัยเนี่ยนะ อันนั้นก็พิเศษนะนีนอรหัตตมรรคของท่าน น, นั่นแหละเป็นปัจจัยให้มหากิริยาของท่านเกิดขึ้นอันนั้นก็เอาไว้กราบนะเวลาสวดมนต์ก็นึกถึงโอ้อรหัตตมรรคนี้เป็นปัจจัยแก่กิริยานะเหมือนั้นก็มโนทวาราวชนาจิตนี้นั่นแหละท่านเรียกว่าโวทัพนาจิตเพราะอาธิว่ากําหนดตัดสินอารมณ์ตามที่จิตพิจารณาแล้วโดยชอบเ น, นี่ยนะคือสันติรณะคร่ครวนก็ตัดสินไปอย่างนั้น คำว่าตัดสินนะขนาดจิตดวงเดียวเนี่ยนะคําอธิบายไม่ค่อยมีมากหรอกนะค ำ, คำตรงไสัมปติชนะสันติรณะวัฏพนาเนี่ยนะคาอธิบายไม่ค่อยมีมากก็มีอยู่เท่านี้ว่ารับอารมณ์ไต่สวนอารมณ์พิจารณาอารมณ์นะก็พิจารณาได้นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองแต่ว่าเอาไ อ, าอา้ที่มันชัดๆมาพิจารณาให้มากๆคืออะไรชวนาวณะเนี่ยนะที่ที่เป็นตัวกรรมนะแต่ส่วนเหล่านี้ก็ไม่ควรละเลยนะเพราะว่า อยงจิตที่เกิดทางทาวารทั้ง6เหล่านี้ก็ไม่ควรละเลยเนะพราะผู้ที่ใคร่ครวญพิจารณาเหล่านี้นี่แหละเรียกว่าเจริญจิตตานุปัสสนาที่จริงการเรียนปริเฉดหนึ่งก็คือเรียนจิตตานุปัสสนานั่นเองเนี่ยนะจำแนกให้รู้จักจิตทั้งหลายเหล่านี้แล้วพิจารณาจิตเหล่านี้ทั้งวัตถุและโดยอารมณ์แล้วก็พิจารณาจิตเหล่านี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นถ้าอุปมาจิตเหมือนอะไรนะี่สองอย่างนะที่เคยอุปมาไปเหมือนกับ มายาคนเนี่ยอย่างหนึ่งอย่างที่สองเหมือนกับคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยนะเหมือนกับคนไข้เพราะรู ป, ปขันเหมือนกับโรงพยาบาลเนเวทนาขันเหมือนกับความป่วยไข้นะตัวป่วยไข้สัญญาขันเหมือนกับอ า, อาหารแสลงสังขารขันเหมือนกับสมุทฐานเนี่ยนะสมุทฐานทําให้ป่วยส่วนวิญญาณาขันก็คือคนป่วย ส่วนหัศตุ ป, ปาถ้จิตนี้เพิ่มเติมอีกนิดหน่อยว่าจิตที่ชื่อว่าหสศตุ ป, ปาถ้หสศตานี่แปลว่ายิ้มยิ้มเนะแ ย, ม ย, มย้มอ่ะยิ้มแย้มอ่ะอุปาทะก็เกิดเ พ, เพราะอาจว่าให้เกิดความยิ้มแย้มเหมือนั้นได้แก่จิตที่สหรคตด้วยโสมนัสอันเป็นกิริยาอาเหตตกะมโนวิญญาณธาตุซึ่งมีเหตุเพียงอาการร่าเริงในอารมณ์ที่ไม่โอลานแห่งพระขีนาสพทั้งหลาย มันจะโอรานยังไงเห็นเตจเนี่นะอารมณ์ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรนะก็ยิ้มน้อยๆก็พอละไปหัวเราะโสมมนัดเป่งอุทานขึ้นมาเราพ้นจากสิ่งเหล่านี้แล้วหนอเหมงอนกันก็ก็ไม่ค่อยมีแต่ว่ายิ้มน้อยๆว่าโอ้ปฏิสนที่เห็นป่านนี้นะก็ยังมีหนอและเราก็พ้นจากสภาพแบบนี้แล้วหนอเหมือนกันส่วนที่เหลือก็ขยายบาลีนะว่าสับพัธาปิแม้โดยประการทั้งปวงคือความต่างแห่งอกุศลวิบากกุศลวิบากและกิริยาเนี่ย ถ้าว่าโดยความต่างก็มีกําหนดได้สิบแปดเท่านั้นแหละนะแยกเฉพาะอย่างเฉพาะอย่างทีนี้ถ้าตั้งคําถามว่าของเราทั้งหลายนี่มีอเหตุกะได้กี่ดวงทุกคนนี่ที่นั่งกันอยู่นี่นะมีสิบ็ดวงนะเว้นหัสิตุ ป, ปาทจิตซะเนี่ยนะก็มีอยู่สิบเจ็ดวงด้วยกันมันจบอเหตุกะจิตวันเสาร์ต่อไปก็มาขึ้นโสภณจิตนะวันเสาร์ต่อไปก็ขึ้นมหากุสุลเลยมันวันนี้ก็สมควรกับเวลา